ตอน 500ณรัตถามั่นตาจังหวัดอุดรธานีถึงที่ต่อตัวไม่ได้นานสักปีดําได้จากการเกิดเกิดมาแล้วก็เป็นสัตว์มิเป็นบุคคล ก็ข้ามนี่แหละในฉากนี้งั้นกับก็ต่อตรงเดิมพระธรรมต่อปัจจัยในขณะนั้นจะขอตอบแค่ตัวพระธรรมะนี้ต้องเรียนต่อไปอีกจึงขอคุมธรรมนี้ต้องควรต่อต่อก็ต่อความนี้ มันก็เริ่มทำขึ้นไปนี่ละเกิดนั้นก็คือหรือทุกอะไรเกิดมาแล้วจะเป็นตับก็เป็นเป็นที่เป็นตับประเภทใดก็เป็นเป็นที่เป็นคนก็เป็นเป็นที่อาการได้ขาดออกหมดทั้งใดก็ขาดทั้งเป็นที่จะแก้ไขทั้งธรรมะ อ่าเป็นที่สมบูรณ์โดยบริบูรณ์ก็เป็นเต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้นั้นก็นั้นท่านจริงนะครับกระบะประมาณคุณภาพการเกิดมาของคนตัดไหลเดินไปที่ไหนมีแต่กัด ในนานคมอยู่บนบกแค่หนึ่งอยู่บนต้นไม้กลุ่มไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งทั้งนั้นที่ต้นต้นไม้อันเนี่ยต่ําๆตัดเสียได้เนี่ยเอ็งมนุษย์เหล่าให้เป็นคนนั้น มีความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นหน้าเป็นสิ่งสิทธิ์ในภาคนี้อัมมามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนประกอบของกายที่สมบูรณ์หนึ่งถ้าตกบกทั้งยับไม่เป็นได้บาดเสียจะลิดเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นภูมิ ที่ทําทําสมคุณงามความดีเนี่ยระวั่นสมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งกลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีจะต่ําลงไปก็เหมือนกับ การดัดแปลงตัวเองในทางธุรกิจหรือว่าทําตัวให้เป็นคนต่ําจะเป็นคนดีขึ้นไปต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงอคคตศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์มาก่อน คือระดับตรัสรู้เป็นภควัทนาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ตั้งเป้าทําให้ความเป็นมนุษย์จึงเป็นต้นผู้สมบูรณ์เป็นภาวะณอดีตอนัตตะและระแกงทั้งฉะนั้นสมบัติแก่นิพพานสมบัติโดยจึงสัมภาพภูมิกันในมนุษย์สมบัติทั้งหลายทุกด้านนั้น <c oughs> นะเป็นภาคภูมิใจในศาสนาของเราคุรุภัตศาสนาซึ่งเป็นของสูงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็มีอยู่เพราะไม่สอนคนให้เทวดาเพราะความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพแห่งศาสนาคุณต่างกันพุทธศาสนานั้น <c oughs> ตามอาศัยคุณเอออัมพรณ์ที่อ่ะทั้งๆที่เป็นมนุษย์มีขณะอยู่ด้วยภายในใจแม้กระทั่งใจที่มีความรู้สึกเพียงเดียวกันกับคนทั่วๆไปมนุษย์ทุกๆคนก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความคิดของใจ ความแข็งแกร่งของทางจะผิดแก่ก็ใจทั้งหลายก็ได้อพยพจากหลักธรรมที่เป็นแท้จริงนั้นเวลานี้เรากําลังบูรณ์นับถึงมรรคถึงกลางแห่งเลศสัตว์ก็ไม่ได้ไปเกิดนรกอมรมนตาธิ คือมันต้องมีกฎข้อกําหนดแค่นี้เราก็ไม่เป็นศัตรูแล้วศัตรูก็ดูลืมเสร็จผู้แล้วไม่ได้เป็นศัตรูเราก็เป็นมิตรเพราะฉะนั้นเราได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งแข็งแกร่งในระดับนี้พยายามไอ้เปลี่ยนปรับแปลงยึดถือทางเดินแห่งศีลจิตใจทั้งหลักให้เป็นไปด้วยความขนบเสนอยากจริง ทั้งทางเล็กและทางทันเราจะมีความกระดวดสบายอยู่ในโลกนี้ก่อให้มีความสมานธรรมนิติถ้ามีธรรมเป็นเพื่อนรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าประพฤติจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะถึงที่ปั่นไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้นแยกจากจิตเพียงเดียวซึ่งเป็นทั้งละเอียดยิ่งยิ่ง ฉะนั้นต่างท่านต่างก็ตนในท่านที่จะสุกสมอัปเป็นดับแตกไปไตรทั้งปิ่นในชาวคุณมีชีวิตนี้ของชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็สุดที่สายที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่จะก็ศูนย์กันหมดจะเป็นมุตตาธรรมาก็นั้นยินักขาดทุกอย่าง คนนั้นหนาวจนถึงใดอ่าจนของมีคุณค่ายิ่งกว่าใครทั้งหมดแม้เราจะจะไปหาคนอื่นมาเพื่อเป็นการบําบัดผู้ห้อมตายและปิดกั้นมีความสุขแต่ก็อย่าลืมเตือนถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะกิจกรรมนั้นนั่นนั่นโดยความอยากเป็นเจ้าเหงา จิตใดถ้าได้รับความอบรมอยู่สมเหงยังไงก็ไม่เถอะหรอกจะก้าวไปทีละนิดไอ้ทีนั้นก็ทําต้องก้าวไปสมเหงอันดัดแปลงการอบรมตนเองที่เป็นจริงสําคัญแล้วถือซะว่า ธรรมะอันประกอบของทะพะติตะมีทะพะติตะก็ได้อยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักเกียดไม่ยากขวางยึดกับความขยันหมั่นเพียรยึดอยู่กับความเพื่อความเห็นสายตามหลักความจริงของธรรมเมื่อเราก็จักครูบาอาจารย์ปะ ออกจากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจคือโดยเคยมีความพ้นธรรมเจือเนื่องกับผูกกับธรรมนั้นเองปุ่งขึ้นหมอกสนิทอยู่กับใจทั้งนั้นทั้งกามารมณ์ทั้งการจากท่านตัดเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิปทานิพพานเนี่ยคุณต้นเพียง กายของพระองค์เท่านั้นเพียงคุณงามความดีทั้งหมดผู้ใดปฏิธานได้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงรากดุจนั้นผู้ปฏิบัติตามตัวขาดธรรมที่ปรับให้ขอบแล้วก็ต้องต้นที่ได้รับผลสมด้วยฉะนั้นคําว่าธัมโมหะเรรัตติจิตธรรมใจจึงเป็น ธรรมะไม่มีต้องมีปราศผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความผุดผามใจเองพยายามจะปลากปลดแก่ผู้ปฏิบัตินักศาสนนั้นท่านจะเป็นนักบวชก็ดีโอองค์สําคัญในหน้าที่ให้กัน คนมันนับเป็นผู้ปล่อยภาระมันมีเงินทางด้านภาระกับธรรมสวดว่าทําตัวเป็นคนขอทานครบก็ให้ครบแบบลูกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่ทํางานที่ตนจะต้องทําตามเพศของตน คนหน้าเป็นของมีคุณค่ากระทํากับจะเห็นคุณใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นคุณอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความพากความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปในทางความปู่ความเจริญธรรมนั้น จิตใจนี้เป็นก็จะได้เลยเพราะปุถุชนมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมลัพธ์ก็มีประกันโทษของเราเพราะฉะนั้นลําบากขนาดไหนก็ขอให้พิจารณาอหุจริตพระธาตุภพงโอกก็ขอให้งอกอยู่ในวงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางแห่งพระพุทธเจ้าที่จะธรรมะนั้น <c oughs> นี่คืออัครสาวกพระอถาคตจะตัวสุดท้ายถัดหลังก็คือรูปพระอถาคตผู้จุดท้องนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกคนอื่นได้คนเบือกับเรามีลูกหลายคนคนหัวคือก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเอมผู้หญิงก็ลูกของเราองค์ผู้ทายก็ลูกของเราคนจุดท้องก็ลูกทั้งเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนแค่นั้นเหมือนกัน คำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกๆทุกบุคคลเรื่องเหล่าพระเมตตาได้แก่พระคัมภีร์ 8400 พระธรรมขันธ์ที่รวมไว้เป็น 1000 มีบรรดาเพื่อให้เราทั้งหลายได้ก้าวเดินไปตามภริยากันนั้นจะไม่ผิดหรอกทั้งภาคนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจภาคหน้าจึงจะสืบต่อจากภาคนี้ งูทุกข์ขณะงูจิตใจนี้เลยออกจากข้างข้างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญกุ้าไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าเท่านั้นผู้จะไปถึงที่ไหนก็จิตใจเดิมเป็นผู้จะก้าวไป มันท้ายตัวใครวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการตรวจครองการก้าวไปของตนเป็นเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องสังสอดว่าทางไหนถูกทางไหนผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คํานึงถึงขอบหลามไม่คํานึงถึงทางถูกและทางผิดผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง แต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่เต็มต่อไปทุกกิจนั้นๆด้วยทั้งตรวจการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้คนนี้จะเป็นไปแค่ความเป็นหนึ่งและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าธรรมทั้งสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกบททุกทุกบาทย่อมแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสลขะตาธรรมเรียกว่าเป็นมรรคคือทางที่ อนาธิปไตยทั้งหลายจะดำเนินไปด้วยความลาภปืนและถูกต้องถึงจุดหมายแต่ทางได้เพราะเข้าลากทุกข์ทุกข์หมดทุกบาดที่ออกจากพระอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยหลักสิทธิคุณหาข้อแย้งไม่ได้มีแต่นิติเพราะเหตุได้เพราะใต้ของพระพุทธเจ้า องค์ใจที่เป็นไปด้วยน่ะเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความฤทธิ์ขึ้นฉะนั้นความฤทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากจากแห่งเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมณข้อไหนไม่จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าเสขาธรรมสามารถจะนําผู้กระทัพปฏิบัติจึงดําเนินตามแนวนอยแห่งพระมิจาคือพระอวาทนั้น ให้ภูมิปัญญาปลายทางแต่ได้ดังนี้นับตั้งแต่ขั้นต่ําจนถึงขั้นถึงท่านถึงสิกคือวิมุตตินิพพานก็ไม่ล่วงการเลือกสมัยใดๆตามภพธรรมที่กล่าวไว้ละอกาลิกะความดีเป็นของมีอยู่ประจําโลกความทั่วก็เป็นของมีอยู่ประจําโลกการทําดีทําทั่วมีอยู่ความปุถุความทุกข์ ตนค้นหายไปไม่ได้เมื่อเป็นคุณนั้นธรรมอกาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางเทศแทบทั้งขนดุจทั่วทุกข์ทุกข์ทั้งละมีเดกับพวกธรรมนั้นด้วยที่เรียกว่าอกาลิโกเป็นถึงกลางบุคคลนี้ไม่เคยเสื่อมถินอัตตฐานไปไหนถือว่าธรรมะคําสอนคําพระพุทธเจ้าที่ปรับไม่ถูกต้องแล้ว ขอปฏิบัติตามจากแนวความเดือดร้อนแล้วถึงความอัปจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเป็นขึ้นแล้วคําว่าธโมหะวิรัคคติธรรมใจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้อีกเราทั้งหลายผู้ดําเนินตามเรื่องโดยพมิตาของพฏปทิจจเกิดได้ผนึกพิจารณา โอ้คุณจะไม่อยากทําฤศีประเภทใดก็โปรดไปจงหมั่นรักษาหูมให้เป็นธรรมให้เป็นเป็นเกี่ยวกับรักษาชีวิตรู้มากยิ่งกว่านั้นถ้าเราสนใจความหลับความนอนสนใจความเฉียดที่ทานสนใจธรรมะให้อะไรคุณจะหนีจากตายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ธรรมที่ควรกันได้จะถึงแค่จะคืนหาอันตรายทางประจักษ์เหมือนกันเราโดยงั้นก็จะขุกขมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้โคนั้นจะหาความเจริญไม่ได้แต่พ้นภพก็เตรียมพร้อมและเป็นคณวาสก็เตรียมพร้อมหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงหมายโปรดภาพว่าพวกต่างๆโลกก็ดีสร้างธรรมคนต้องมีธรรมเป็นเครื่องเกื้อเถียงอยู่ทั้งนั้น ถ้าตามมโนธรรมเป็นเครื่องเกิดผลดีภายในการกระทําลึกปัญญาแห่งธรรมนั้นแลจะไม่เป็นไปพบความลุ่มเย็นเกิดเป็นเองและผู้อื่นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วยบริเวณคําว่าธรรมนั้นเป็นธรรมสั่งสอนทั้งปฏิบัติแต่ผู้ธรรมเข้าใจว่าคนธรรมตามเข้าว่าคําสอนทั้งพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโลกไปเสียชินี กรรมทั้งทั้งที่เราว่าดําเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นเนกภาณิสุเท่านั้นโม้เจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตําหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่ถ้าที่จริงธรรมภิทธิ์หรือการธรรมของผมในศึกษาจากหลักความจริงคือสอขาธธรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ขนคุณปรากฏขึ้นนั้นขึ้นมาเอ่อเราเลยปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคําว่ามรรคผลนิพพานในแค่นั้นกับในครั้งจะไม่มีอันใดผิดแตกต่างกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสก็แค่เดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้น กับวิบวของพระพุทธเจ้าและวิบวของสาวกบริสุทธิ์ไม่ต่างเท่ากันความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันที่แม้ท่านเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วทั้งทั้งความชั่วทั้งหลายก็เป็นวิบวประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งผู้กระทำนั้นจึงมีธรรมะที่จะนํามาแก้ที่เด็ดตัณหาอากา ธรรมะแท้พวกแก่ไทยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาท้าแก่ไฉนพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้ตายถึงปรากฏดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบปฏิณัมบรรทิงดังนั้นฆมมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นถึงกลางจึงเสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อตามผู้ใด ในในนี้เหล่านั้นไปตามธรรมกล่าวหาหรือว่าหลายของบุคคลใดทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เอียงเอียงไปตามธรรมตามนิคิดเห็นของคนเหล่าจะองค์ธรรมะของจึงคงโลกคงธรรมไว้ไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครๆไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเองเอียงแต่นี้ไม่เป็นขึ้นมา คือตั้งอยู่ในความเป็นมัธินะเสนอต้นเสนอปลายโคปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตที่จะรู้เนี่ยเกิดทุกข์นี้ลกขุดนี้ทุกข์เส้นมีตั้งอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลําดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในจิตนี่หลักเป็นเครื่องรับรอง <c oughs> กรรมที่จะถึงได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามล่องรอยคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอํานาจวาจนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องนี้ให้เดินไปตามหนทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นครูเหตุดีได้แก่เราประกอบ<ด> ถูกต้องดีผลจะเป็นความปิติขึ้นมาภายในใจเห็นจะจับยืนเยียดว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อเป็นธรรมถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเมื่อนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอนาถนาบุคคลพระพุทธเจ้าประเด็ดตามทุกขยะ การประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกหรือผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถไม่เป็นถ้าไม่มีสันธิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันธิฏฐิโกมีจะเป็นทั้งหมดแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันธิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับ กุ๊กท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางแล้วเองตั้งแต่ชั้นที่โกคันธาท่านการเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในจิตเส้นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีสภาวะความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยเห็นใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาคือเราก็ได้สนับสนุน ขั้นตอนของบะบุตจะเกิดความเชื่อความเล็งไส้ขึ้นมารู้จักทําบุญให้ทานถึงกับต้องทําบุญให้ทานรักษาศีลนับเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของคนอย่างนี้เราก็ทราบทราบได้อยู่ว่าจิตใจของอดีตกรกับสึกไส้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้รู้ความรู้สึกอดีตกรกับความรู้สึกณบัดนี้มีพรรณต่างกันอยู่ก็จะเป็นสันธิที่โต รู้พลอยตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกทั้งนั้นผู้ที่ฝึกหัดภาวนาใจมีความวุ่นวายยิ่งใหญ่หาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขจึงเกิดขึ้นกับความสงบนั้นตรงเพิ่งไรเราไม่มีโอกาสสักเท่าแต่พอได้บําเพ็ญภาวนาตามในที่ท่าน และเอาไว้เราบำเพ็ญภายในตัวเองก็ปลุกความสงบภายในใจจะสงบน้อยก็ตามก็พอรู้สึกว่ามีมีความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจผามันนี่ก็เป็นสันติธิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเห็นเห็นกระจกทั้งกลางวันกลางคืน ใบหมายกําหนดดูใจกับความสงบก้มก้องคณีเสมอไม่ได้เกลียดย้ายจากอันเองยืนจะเห็นพัดเห็นหน้าทั้งกลางวันกลางคืนคณีนั้นมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นท่านผู้ที่โกรธก็ทราบทั้งความสงบหน้าด้วยทั้งความรอบคอบหรือความเนี่ยพรายของปัญญาได้เข้าส่องมองดูสภาวะธรรมทั้งหลาย เป็นขนาดคลุมทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความล่วงพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยๆสาดพัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราทั้งหลายได้เคยปวดว่าธานาภวะวิญญาณภวะอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วก็ซาบขึ้นภายในตัวของเราตัวที่แรกซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจคงเป็นเหมือนกับ เป็นตอนหนึ่งก้มดิ่งอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอํานาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลําดับลําดับจึงกลายเป็นจิตที่เย็นกลายเป็นจิตที่มีความสุขและฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูในการภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกัน แล้วก็จะวางความสําคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลําดับการก่อความสําคัญมั่นหมายต่ออํานาจของปัญญาเข้ามาหน้าเป็นลําดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความทรงบงอันเป็นภาระให้เราเบียดโลหามนั้นออกจากใจของเราตรงชั้นชั้นเข้ามานี่ก็เป็นสันติธิโธเข้ามาเป็นอํานาจ มีมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาผู้ดับทุกขังก็ถึงใจเห็นทัศว่าเป็นทุกข์ภายในใจภายในใจเท่านั้นผู้ดับอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการเข้าไปถอยกลับนิยบททั้งเป 4 เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในกับแต่บุคคลผู้หนึ่งๆ นี่ก็เป็นปัญญาอันข้อตรงขันติธิโกประเสริฐน่ะธรรมะอนัตตาเราเอาจากสัตตาบุคคลกล่าวแต่ความเกี่ยวสรรค์ตัณหาของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังโขดิอนิจจังโขดิอนัตตาโขดิมันถึงใจทุกอย่างเพราะอํานาจของปัญญาได้เต็มภาคให้ ถึงหลักความจริงจริงเพราะคําว่าอนิจจังไม่พอดีทุกขังกิริอนัตตาคือถ้าใช่เป็นเพียงคําพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมธาตุนั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่ทั้งนั้นเมื่ออะไรได้รู้คณะคณะนั้นก็เป็นดีแค่นั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆแค่เป็นดีแค่นั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอ นี่ก็เป็นสันธิที่โคตรประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ถ้าเกิดทําให้จิตมีมีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเศร้าผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอตั้งแต่เรื่องความทุกข์เมื่อท่านเจ้าพูดกันไปในทํานองนั้นก็แสดงว่าคนนั้น ไม่ได้เน้นความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้าเลิศตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดแค่นั้นธรรมดาเราเกิดข้อคล้อยใจกับสิ่งใดอันใดจิตเป็นเครื่องบกพ้องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรามีอะไรบกพ้องสิ่งนั้นแลจะทําทุกข์ให้เราน่ะเราก็ไปพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพ้องเพราะเหตุใด เมื่อเป็นใดบุคคลก็พยายามดิ้นเคลื่อนข้างขวาหรือเตาะแสลนหามาไว้สําหรับเพื่อถ่ายความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นอันทุกข์อันหนึ่งคนเรามาอยู่เข้าแต่ในบ้านตระกูลหนึ่งก็เป็นทุกข์ก็ต้องดิ้นเคลื่อนข้างขวาวิทยาที่ดิ้นเคลื่อนข้างขวาท่านเรียกว่ามรรคน่ะทางดําเนินเพื่อความเจริญเพื่อความปิดสําหรับครอบคลุมไม่มีเงินจะท้ายก็ลําบากเป็นกลางทุกข์อันหนึ่ง การแสวงหาเงินมาทายก่อนเนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วต่อแสวงหาเงินมาทายในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคมีทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาคุ้มบูมซึ่งศาสนาทั้งหมดในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกลางๆไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเอง ต้องคุกเพราะเรื่องไหนก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราว่ามีความรู้วิชาด้านธรรมะท้าทายยึกกิจการต่างๆทําอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดอีกความโง่มันก็องค์ผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สงสัยความไม่เปรียบปลีกชั้นความขยันมันเพียรนั่นน่ะเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชชาสมบัติต่างๆครับพระพุทธเจ้าก็สอนนี่ สอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อกอดเอาทุกข์นั้นมาปล่มเครื่องคุ้มลมจิตใจให้รับความเดือดร้อนคือเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้ยุทธวิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการ ท่านก็ควรหบไปหนีไปขออุบายที่พ่อของเราอุบายทรัพย์นี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นที่ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เพิ่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องทานมาเสาะสมบูรณ์ไม่บุญเราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโหเขาเคลของเราจะมีหลายประเภท เราก็ลาภในการทำมหาลิขิตผลลาภในความวิริธะผลลาภในการหาเห็นหาทองของของแต่เราอาจจะโหนดในส่วนหนึ่งภายในตัวเราความทุกข์ภายในใจจึงมีคุณบุญกิริยาหมู่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าพิจารณาเรื่องครอบนี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งถ้าจะทำเรื่องภายนอกก็ได้เกิดทุกข์ในครอบครัวอี่พวกที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความตระหนักของเราไม่ทันอี่มันจะเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ มันอุบายที่ที่จะแสดงหาสิ่งต่างๆมาคือเป็นขึ้นเบียวดารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดําเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งนี่เป็นย้อนกลับมาสู่ภายในครบมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้ มันเดือดร้อนก็รู้ดีแต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากกฎธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้แล้วก็มาอบรมจิตใจของตนเรื่องราวก็เป็นฐานสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทํานั้นเรียกว่ามรรคจิตใจของเราที่มันกําลังคุกนั่นเรียกว่าคุกเมื่ออุปายวิถีถูกต้องในการอบรมเริ่มปรากฏเมื่อได้บําเพ็ญให้ถูกต้องแล้วคุก ตัวนี้ค่อยๆดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็มีโลภะภาคก่อนปรากฏขึ้นมาเป็นระยะๆอย่างนี้นี่ศาสนาท่านเหล่านี้ทำให้ไม่ได้สอนว่าคนกุ่มยุ้มเอาทุกข์ทุกข์ของศาสนาทั้งหมดเพียงแค่ตั้งแต่เป็นความโคตรไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่มาถึงเรื่องสังคติโกเธอติดต่อเสนอไปที่การจะเอามาทั้งหมดนี้ทั้งสัตตะธรรมภายนอก ได้จะคุกตมุฑไทยโรคมรรคเอาพูดง่ายๆว่าคุกตมุฑไทยโรคมรรคในครอบตัวอันนึงๆขวดทั้งโลกเนี่ยแล้วก็ย้อนเข้ามาคุกตมุฑไทยโรคมรรคในร่างกายและจิตใจทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะอันนี้ครอบครัวที่ร่างกายอันนี้นี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญซึ่งอ่าเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเรา ไอ้มีความสุขดื่มขึ้นมานะทางโลกกับทางงอกับภายในเหมือนกันอยู่ที่กันเนี่ยคือมาอติเมนสันธิทิโกทั้ง 2 คือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลินจากสันธิทิโกนี้ไปนั่นน่ะเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้รู้และฝึกข้อทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้และความดีความทั่วความสุขความสุขของเรา เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ให้ฉลาดจึงกว่านี้ไปเป็นอย่างนั้นน่ะจึงต้องเอาอายตนะภายในขึ้นสถานที่นาอายตนะที่กองคุกภายในตมุไทยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็ร้อยวันหนึ่งขอให้ได้มีความฝึกทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคืออุปถัมภ์ แล้วก็เราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินตั้งเหนือต้นเสมอเปล่าภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความผิดความเจริญเหมือนบ้านเมืองเค้าภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเลิศยิ่งใจเกิดขึ้นจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้ว จะเป็นผลขึ้นไปเป็นลําดับลําดับดังที่อธิบายเมื่อสักนี้ฐานกันตั้งแต่สมาธิเป็นลําดับถึงขั้นปัญญาแต่ไฉนภาระเครื่องกดท่วมจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลําดับลําดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอํานาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรย รอยรักอย่างถึงจิตถึงใจแล้วการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข้อจะต้องลดลอยไปเป็นลําดับลําดับนายเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วคือเรียกหาจากคนตัวอยู่ไม่ได้มันจะตั้งอยู่ในจิตใจของเราอยู่กับนับไม่ถ้วนต่อตามเช่นเดียวกับธรรมเมื่อที่มีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งกลับทั้งนั้นแต่พอจิตไปขึ้นเท่านั้นธรรมเมื่อก็ หายไปหลายขณะนั้นนั่นเองลักษณะอันที่จะกีบความรู้พลานใจก็เช่นเดียวกันขอให้ปฏิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ถ้าจะขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะได้มีธรรมควบคุมเจริญความสงสัยความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรม ยิ่งเข้าไปความขยันมันเพียงก็ยิ่งคืบหน้าพอถอนได้มากเท่าไหร่ก็เห็นคุณอนิสงส์คือทําเบาในจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจที่เป็นอนาคตคล้ายิ่งเล็กน้อยก็ถอดถอนออกไปได้เป็นลําดับนั้นน่ะอาตมาสู่จนทั้งทั้งวงกาบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือแล้วที่นี้เราจะหาพุทธะที่ไหน เราจะหาผลนิพพานที่ไหนเมื่อใจของนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ขอถอนภาระซึ่งเกิดจากอิจฉาให้เป็นออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอํานาจแห่งศรัทธาปัญญาอันอาจความเพียรนี้เป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้คุ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะจิตไม่คุ้นอยู่กับใครทุกข์ก็จะไม่คุ้นอยู่กับใครนี้ เอ็งที่สามารถจะทรงไว้หน้าได้ท่านเพื่อนความคิดทางเป็นความรู้สึกคุคโขคุคโขของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบว่าท่านคุคโขของเราก็มีวิปกรรมใจข้างในอยู่เป็นสันธิคุคโขอยู่ทั้งนานทั้งเถิดรู้พัดกับกับทั้งเล่ห์กับโบวินดูนี่จะรู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ตาม มันอยู่กว้างหรือแคบที่ไหนดูกับใจของเราเดิมที Popular media ที่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหน๋าบางก็เท่าหัวใจเนื้อแค่อันนี้ลงไปโดยลําดับลําดับแล้วความหมุดตึ้มของกิเลสก็ต้องหมุดตึ้มไปเทอมน่ะความรู้สึกอะไรน้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เถิดครับ รู้โดยลําพังตัวเองที่เรียกว่าปฏิจจตังลักษณ์จิตตบกจะรู้ได้ด้วยกันทุกคนขอทําเหล่านี้เป็นธรรมประจําใจด้วยกันครูปฏิบัติไปก็ต้องรู้ก็เห็นก็จับงั้นขอให้พากันพลีอย่างดินที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมเนาะทําเท่าแท้ที่ใจของเรา อันเป็นความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เป็นขวัญขวายที่กราบพยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของแห่งสมบัตินั้นเมื่ออวิทานแห่งพระธรรมเกิดขึ้นนั้นขออํานาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประเสริฐจงคุ้มครองรักษาท่านหาให้อยู่ความสุขภายกระทั่งและสมนําความมั่นมัสสลัคณาคือทีมานกันเถิด